เราจึงปั้นหม้อจากนั้นเราก็ตีหม้อให้มันแน่นให้อยู่น้ําเราจะไม่ทําแบบทนุถนอมเราทําแบบแตีให้ให้แน่นให้อยู่น้ําให้ได้นี้ก็เหมือนกันโรคศร์เรารถาคตเป็นองค์ไหนก็ตามที่เข้ามาสู่วัดของเราเราจะต้องให้อยู่ในกฎระเบียบทำวินยัยไม่ให้อยู่นอกลู่ออกนอกลู่นอกทาง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 ใจของเขาอีกมุมหนึง่งนี่แหละเี่ยว่าพระพุทธเจ้าท้อประทยในการจะแสดงธรรมพรมรู้วารจิตของพระพุทธเจ้าอยู่ที่พรมท่านมองโอ้ท่าพระพุทธเจ้าท้อประทยอย่างนี้โลกจิบหายพวกเราควรจะลงไปกราบราตนาพระพุทธเจ้าให้เห็นแก่โลกในยะว่าพรมมาจโลกาติปฏิสหมปฏิ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 มลณะลงไปเสร็จแล้วท่านก็มองไปหาปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจึงท่านจะได้เดิน อ, อยู่ทั้งหกเจดอาทิตย์อยู่ที่พุทธกายาในลกแวกนั้นจากนั้นจึงได้เดินไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไปถึงวันอาสารหาบูชานะไปแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหา้าปญัญญาโกนัญญาอะไ้สําเร็จพระโสดาบันเป็นท่านแรกนะ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 ตายน้าท่วมตายที่ไหนก็ต้องตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเอนนเมื่อเราตายเราจะไปสร้างวัดสร้างวาจะไปสอนคนให้โงท่ทำใหม่แล้วจะไปอยู่อย่างนี้ทำใหม่เออแต่เมื่อเราไม่สืบทายาทไว้พุทธศาสนาคุณงามความดีจะดีได้อย่างไรเมื่อเราเกิดมาแล้วถ้าเกิดมาแล้วตายทีเดียวมันก็มีปัญหานี่มันยืนยาวมาไนงะ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 ร่างกายไว้ในแผ่นดินนี่นี่อันนี้ก็คือความในใจของของเราเราคิดไว้อยู่เสมออันนี้แหละคิดไว้อยู่อย่างเนี้ถ้าคิดไว้อย่างนี้จะไม่ลืมตัวนะลูกหลานเอทําอะไรอะไรก็ตามไม่ลืมตัวเอไม่หลงตัวไม่ลืมตนเพราะอะไรเพราะเร า, เราลึกถึงไว้อยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งฮะอไม่ว่าวันไหนละ่ะ เ, เราจะต้องหนีออกจากร่างนี้ไปอไปสู่อันไหน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 พูดอย่างไงก็สงสัยอยู่อย่างนั้นนะถ้าว่าใครแนะนำสั่งสอนว่าตายแล้วสูนไปกับเขาอดหลอดเลยละ่เะเพราะเหตุอะไรเพราะมันมันมันจิตใจมันชอบไหลไปทางตาำอยู่แล้วมันชอบใจของเรามันโง่อยู่แล้วโง่เง่าเต่าตุ่นอยู่แล้วสิ่งไหนที่เขาแนะนำไปทางชั่วไปเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกออถ้าเป็นแนะนำไปในทางที่ดีนะ อ, อ, อย่าไปอย่าไปเชื่อทีเดียวนะ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 พระลูกพราหลานชดทชาญาติโยมเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะัตหนีหน้า